ข้อสังเกตข้อที่2กระบวนธรรมะที่สืบทอดจากภัรษะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อทางจาริยธรรมระหว่างความดีกับความชั่วระหว่างกุศลกับอกุศลระหว่างความหลุดพ้นเป็นอิสระกับการหมกติดหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ เมื่อกล่าวถึงส่วนอื่นๆของกระบวนธรรมะแล้วก็ต้องย้อนกลับไปพูดถึงอายตนะอีกเพราะกระบวนธรรมะต่างๆที่กล่าวมานั้นต้องอาศัยอายตนะเริ่มต้นที่อายตนะเมื่อว่าองค์ธรรมอื่นๆสำคัญก็ต้องว่าอายตนะสำคัญเหมือนกันเช่นเมื่อว่าเวทนาเป็นองค์ธรรมสาคัญยิ่งในกระบวนธรรมะแบบเสพสวยโลก อายตนะก็ย่อมมีความสำคัญมากด้วยเพราะอายตนะเป็นแหล่งหรือเป็นช่องทางที่อำนวยให้เวทนาเกิดขึ้นเวทนาเป็นสิ่งที่มนุษย์มุ่งประสงค์อายตนะเป็นแหล่งอำนวยสิ่งที่มุ่งประสงค์นั้นเท่าที่กล่าวมาสรุปได้ว่าอายตนะหกทาหน้าที่รับใช้มนุษย์สองอย่างคือ 1> 1. เป็นทางรับรู้โลกหรือเป็นแหล่งนำโลกมาเสนอต่อมนุษย์เป็นเครื่องมือสื่อสารทําให้มนุษย์ได้รับข้อมูลแหล่งความรู้ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถเกี่ยวข้องกับโลกได้ถูกต้องทำให้ชีวิตอยู่รอดและดำเนินไปด้วยดี 2. เป็นช่องทางเสพโลก หรือเป็นประตูที่มนุษย์จะเปิดออกไปรับอารมณ์ที่เป็นรสอร่อยของโลกมาเสพเสวยด้วยการดู ก, การฟังการดมการลิ้มชิมรสการแตะต้องเสศษสีความสนุกสนานบันเทิงตลอดจนจินต น, นาการสิ่งที่หวานชื่นประเรื่อนใจความจริงหน้าที่ทั้งสองอย่างนี้ก็ติดเนื่องอยู่ด้วยกันหน้าที่อย่างแรก เรียกได้ว่าเป็นหน้าที่หลักหรือหน้าที่พื้นฐานที่จำเป็นส่วนหน้าที่ที่สองเป็นหน้าที่รองจะว่าเป็นของแถมหรือส่วนเกินก็คงได้ในกรณีสนองหน้าที่ทั้งสองนั้นการทำงานของอายตนะก็อย่างเดียวกันความแตกต่างอยู่ที่เจตจำนงของมนุษย์ซึ่งมุ่งไปที่ความรู้หรือมุ่งไปที่เวทนา สำหรับมนุษย์ปุถุชนความสําคัญของอายตนะมักจะก้าวข้ามมาอยู่กับหน้าที่อย่างที่สองคือการเสพสวยโลกจนถึงขั้นที่กลายเป็นว่าหน้าที่อย่างที่หนึ่งมีไว้เพียงเพื่อเป็นส่วนประกอบสนองการทําหน้าที่อย่างที่สองหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่ากระบวนการรับรู้มีไว้เพื่อรับใช้กระบวนการเสพสวยโลก หรือรับใช้กระบวนการสังสารวัตเท่านั้นเองทั้งนี้เพราะปุตุชนมักใช้อายตนะเพื่อมุ่งรับรู้เฉพาะความรู้ส่วนที่จะทำให้ตนได้เสพส่วยอารมณ์อร่อยของโลกเท่านั้นหาสนใจสิ่งอันพึงรู้นอกจากนั้นไม่ยิ่งกว่านั้นสำหรับปุทุชนแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับโลกในภาพแสดงออกด้วยการทำ การพูดการคิดก็จะกลายเป็นการกระทาเพื่อรับใช้กระบวนการสังสารวัตรเช่นเดียวกันคือมุ่งทรรมพูดคิดเพื่อสแสวงหาและให้ได้มาซึ่งอารมณ์สำหรับเสพเสวยยิ่งเป็นปุถุชนที่หนามากเท่าใดความติดข้องผัวพันอยู่กับหน้าที่อย่างที่สองของอายตนะก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น จนถึงขั้นที่ว่าชีวิตและโลกของมนุษย์วนเวียนอยู่แค่อายตนะหกเท่านั้นเองเท่าที่กล่าวมานี้จึงเห็นได้ว่าแม้อายตนะภายในหจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคันห้าและไม่ครอบคลุมทุกส่วนแห่งชีวิตมนุษย์โดยสิ้นเชิงเหมือนอย่างคันห้าก็จริง แต่มันก็มีบทบาทสำคัญยิ่งในการดำเนินชีวิตของมนุษย์มีอำนาจกำกับวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากจนกล่าวได้ว่าชีวิตเท่าที่มนุษย์รู้จักและดำเนินอยู่ก็คือการติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกทางอายตนะเหล่านี้และชีวิตมีความหมายต่อมนุษย์ก็ด้วยอาศัยอายตนะเหล่านี้ถ้าอายตนะไม่ทาหน้าที่แล้วโลกก็ดับ ชีวิตก็ไร้ความหมายสำหรับมนุษย์ข้อที่ว่าอายตนะภายในหจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของขันห้านั้นอายตนะทั้งส2องคือรวมทั้งอายตนะภายนอกจัดลงในขันหอายตนะภายในหลงได้หมดแต่อายตนะภายนอกหเกินขันห้าดังนี้ 1. อายตนะห้าคู่แรกจากขู ก, กับรูปโสตากับสัทธะคานะกับคันทะจิวหากับรถกายกับโหทพะอยู่ในรู ป, ปขัน 2. ออายตนะภายในที่หคือมโนหรือใจอยู่ในวิญญาณขัน 3. อายตนะภายนอกที่6คือธรรมหรือธรรมมารมอยู่ในขันสคือนามขันสได้แก่เวทนาสัญญาสังขารและรู ป, ปรขันเฉพาะที่เป็นสุคุมรูปเท่านั้นเช่นอากาศาธาตุความเป็นหญิงความเป็นชายความเบาความอ่อนสลวยความสืบต่อความสุดโทมการขยายตัว ความแปรสลายของรูปเป็นต้นกับทั้งนิพพานซึ่งเป็นภาวะพ้นจากขันคือขันธะวิมุตติมีข้อความแห่งหนึ่งในบาลีแสดงกระบวนธรรมะเท่าที่กล่าวมานี้ได้อย่างกระทัดรัดและช่วยเชื่อมความที่กล่าวมาในตอนว่าด้วยขันห้าเข้ากับเรื่องที่อธิบายในตอนนี้ให้ต่อเนื่องกัน มองเห็นกระบวนธรรมะได้ครบถ้วนตลอดสายยิ่งขึ้นจึงขอยกมาอ้างไว้ดังนี้อาศัยตาและรูปเกิดจากขูวิญญาณความประจวบแห่งธรรมะทั้งสามนั้นเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีบุคคลสวยอารมณ์ใดยอมหมายรู้อารมณ์นั้น คือสัญญาหมายรู้อารมณ์ใดย่ยอมตริตรึกอารมณ์นั้นคือวิตติ ก, กะตริตรึกอารมณ์ใดย่ยอมพันพิสดารซึ่งอารมณ์นั้นคือปปัญจะบุคคลพันพิสดารซึ่งอารมณ์ใดเพราะการพันพิสดา น, นั้นเป็นเหตุปปัญจะสัญญาแง่ต่างๆ สัญญาที่ซับซ้อนหลากหลายคำเต็มว่าปะปัญจสัญญาสังขารยอมผุดพลุ่งสมรุมเขาในเรื่องรูปทั้งหลายที่พึงรู้ได้ด้วยตาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันส่วนว่าด้วยอายตนะและอารมณ์อื่นๆจนครบหกคู่ใจความอย่างเดียวกัน กระบวนธรรมะนี้เขียนให้เห็นง่ายขึ้นดังนี้กระบวนการรับรู้บริสุทธิ์คือกระแสปกติตามธรรมชาติได้แก่อายตนะบวกอารมณ์บวกวิญญาณบวกพัสสะเกิดเวทนากระบวนธรรมะแบบเสพสวยโลก คือเกิดมีผู้เสวยสิ่งถูกเสวยผู้คิดสิ่งถูกคิดคือต่อจากเมื่อเกิดเวทนาแล้วเกิดสัญญาเกิดสังขารคือวิตั ก, กะที่ส่งให้เกิดปปัญจะและเกิดปปัญจสัญญาแง่ต่างๆเมื่อเกิดปปัญจสัญญาแล้วก็ยิ่งมีวิตั ก, กะคือความตรึกตรึกเนื้อคิดได้มากมายและกว้างขวางพิสดารยิ่งขึ้น ทำให้เกิดกิเลส ต, ต่างๆเช่นชอบใจไม่ชอบใจหวงแหนหริษยาเป็นต้นปนเปคลุกเคล้าไปกับความคิดนั้นหมายเหตุ 1. คําคำที่ควรเข้าใจคือปปัญจหมายถึงอาการที่คลอเคลียพัวพันอยู่กับอารมณ์นั้น และคิดปรุงแต่งไปต่างๆด้วยแรงตัญหามานะและทิฏฐิผลักดันหรือเพื่อสนองตัญหามานะทิฏฐิคือปรุงแต่งในแง่ที่จะเป็นของฉันให้ตัวฉันเป็นนั่นเป็นนี่หรือเป็นไปตามความเห็นของฉันออกรูปออกร่างต่างๆมากมายพิสดารจึงทําให้เกิดปัปปัญจสัญญาแง่ต่างๆคือสัญญาทั้งหลายที่เนื่องด้วยปัปปัญจนั่นเอง 2. จะเห็นว่ามีสัญญาสองตอนสัญญาตอนแรกคือสัญญาขั้นต้นที่กำหนดหมายอารมณ์ซึ่งปรากฏตามปกติธรรมดาของมันสัญญาตอนหลังเรียกว่าปัจปัญจสัญญาเป็นสัญญาเนื่องจากสังขารที่ปรุงแต่งภาพอารมณ์ ให้ออกรูปร่างแง่มุมต่างๆมากมายพิสดารดังกล่าวแล้ว 3. จะเห็นว่ากระบวนธรรมะทั้งหมดนั้นแยกได้เป็นสองตอนตอนอแรกตั้งแต่อายตนะภายในถึงเวทนาเป็นกระบวนการรับรู้บริสุทธิ์พึงสังเกตว่า ช่วงตอนนี้กระบวนธรรมะเป็นกระแสบริสุทธ์ตามธรรมชาติมีแต่องค์ธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยยังไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเกี่ยวข้องตอนปลายตัดตอนแต่เวทนาไปแล้วเกิดเป็นกระบวนธรรมะแบบเสพเสวยโลกหรือกระบวนการสังสารวัตรมารับช่วงไป ความจริงตั้งแต่เวทนานี้เป็นทางแยกอาจต่อด้วยกระบวนธรรมะแบบวิวัฒก็ได้แต่ในที่นี้มุ่งแสดงแต่แบบสังสารวัตก่อนข้อพึงสังเกตในตอนนี้ก็คือตั้งแต่จุดเริ่มต้นของช่วงหลังนี้จะไม่มีเพียงองค์ธรรมต่างๆที่เป็นเหตุปัจจัยแก่การตามธรรมชาติเท่านั้นแต่จะเกิดมีสัตว์บุคคลขึ้นมา กลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสพเสวยกับสิ่งที่ถูกเสพเสวยผู้คิดและสิ่งที่ถูกคิดเป็นต้น 4. กระบวนธรรมะเสพเสวยโลกในช่วงปลายที่แสดงข้างบนนี้เป็นเพียงวิธีแสดงแบบหนึ่งเท่านั้นเลือกเอามาเพราะเห็นว่าสั้น และเข้ากับเรื่องที่กำลังอธิบายคือขันและอายตนะได้ดีอาจแสดงแบบอื่นอีกก็ได้เช่นที่แสดงอย่างพิสดารในหลักปฏิจจสมุ ป, ปาทแบบทั่วไปซึ่งเป็นกระบวนธรรมะแบบสังสารวัตรโดยสมบูรณ์ 5. ว่าตามหลักอย่างเคร่งครัด วิญญาณภาษะเวทนาสัญญาในกระบวนธรรมะนี้เป็นสหชาตธรรมท่านถือว่าเกิดร่วมกันพึงเข้าใจว่าที่เขียนแสดงลำดับไว้อย่างนี้มุ่งเพื่อศึกษาได้ง่ายเนื่องด้วยกระบวนธรรมะนี้แยกได้เป็นสองช่วงตอน และช่วงตอนหลังอาจแยกไปเป็นกระบวนรธรรมะแบบสังสารวัตรหรือแบบวิวัตรก็ได้ดังนั้นเพื่อมองเห็นภาพได้กว้างขวางขึ้นอาจเขียนแสดงได้ดังนี้อายตนะบวกอารมณ์บวกวิญญาณเท่ากับพัสสะเกิดเวทนาและนำไปสู่กระบวนธรรมะแบบสังสารวัตรกับกระบวนธรรมะ แบบวิวัตในเรื่องอายตนะนี้มีข้อควรทราบเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไปดังนี้อายตนะภายในหรือทวารหกนั้นมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอินซีหกคำว่าอินซี แล้วว่าภาวะที่เป็นใหญ่หมายถึงสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นเจ้าการในเรื่องนั้นๆเช่นตาเป็นเจ้าการในการรับรู้รูปหูเป็นเจ้าการในการรับรู้เสียงเป็นต้นอินซีหกคือจากขุนซีโสตินซีคานินรีจิวหินรี กายินสีและมันินสีคำว่าอินสีนิยมใช้กับอายตนะในขณะทมหน้าที่ของมันในชีวิตจริงและเกี่ยวกับจริยธรรมเช่นการสํารวมจากคุณสีเป็นต้นส่วนอายตนะนิยมใช้ในเวลาพูดถึงตัวสภาวะที่อยู่ในกระบวนธรรมะ เช่นว่าอาศัยจักขุอาศัยรูปเกิดจักขุูวิญญาณเป็นต้นและเมื่อพูดถึงสภาวะลักษณะเช่นว่าจักขุไม่เที่ยงเป็นต้นอีกคำหนึ่งที่ใช้พูดกันบ่อยในเวลากล่าวถึงสภาวะในกระบวนธรรมะคือคำว่าผัสสะยตนะแปลว่า ที่เกิดหรือบ่อเกิดแห่งผัสสะหรือแดนรับรู้คือที่มาของการรับรู้นั่นเองอายตนะภายนอกหรืออารมณ์ก็มีชื่อเรียกอย่างอื่นอีกคือโคจระหรือโคจรหมายถึงที่เที่ยวที่หากินและวิสัยคือสิ่งผูกพันหรือแดนดำเนิน และชื่อที่ควรกำหนดเป็นพิเศษใช้เฉพาะกับอารมณ์ห้าอย่างแรกซึ่งมีอิทธิพลมากในกระบวนธรรมะแบบเสพสวยโลกหรือแบบสังสารวัตรคือคำว่ากามคุณหมายถึงส่วนที่น่าใกลหน่าปรารถนาส่วนที่ดีหรือส่วนอร่อยของกามกามคุณห้า หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสและผดทพักษะเฉพาะที่น่าปรารถนาหน้าใคร่น่าพอใจเท่านั้น